พระอนุบัญญตหิบเอันนึ่งภิกษุใดไม่เป็นไข้ออกปากขอโพชนะอันประณีตเช่นนี้คือเนอยใสยเนยข้นน้ำมันน้ำพึ่งน้ำอ้อยปลาเนื้อนมส้มมาเพื่อตนแล้วฉันต้องอบัติปลาจิตตีเรื่องภิกษุเป็นไข้จบ